ในมาขึ้นสัมมาสังกปะเลยนะสัมมาสังกปะในอริยมรรคเนี่ยนะก็ถ้าขณะอริยมรรคก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่เบื้องต้นนะก่อนที่จะบรรลุอริยมรรคเบื้องแรกก็เป็นกุศลวิตกษามประการ น, นะสังกัปปะ <c oughs> สังกปะกับวิตกษ์ไม่เหมือนกันนะวิตติ ก, กะกับกับปะนี่อันเดียวกัน ต่างกันโดยพยัญชนะสังกปะนั้นก็ที่เรียกว่าเนคขมมะสังกปะหมายถึงความดําริในการออกจากกามก็เป็นความดําริที่ออกจากมหาพูดนนหรือเป็นความดําริที่คิดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธะทั้งหลายส่วนอัพยาปาท่าสังกปะก็เป็นความคิดที่ออกจาก โทสะอวิหิงสาสังกปะก็เป็นสังกปะที่ออกจากโทสะเหมือนกันพราะว่าวิหิงสาก็กลุ่มเดียวกับโทสะพยาบาทกับวิหิงสาเนี่ยคือโทสะเหมือนกันกามาสังเนคขมาสังกปะก็คือออกจากโลภะอัพยาปาท่าสังกปะกับอวิหิงสาสังกปะนั้นออกจากโทสะเนี่ยนะตามสภาวะนะ บรรดาสังกปะทั้งสามเหล่านั้นคือเนคธรรมะสังกปะอัพยาปาธาสังกปะอวิหิงสาสังกปะเนี่ยนะเนกเฉพาะเนคธรรมะสังกปะนั้นเกิดขึ้นทําการตัดทางคือทําลายทางเครื่องดาเนินของกามวิตกเพราะว่ากามสังกปะกับเนคธรรมะสังกปะเป็นศัตรูกันเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้พลท้าอีกอันหนึ่งเกิดอีกอันหนึ่งต้องไม่เกิด ถ้าหากว่ากามสังกะปะเกิดเนี่ยถือว่าประทุสลายเน่ฆมัสังกปะถ้าเนคมะสัง ก, ะมมะงกะปะเกิดขึ้นก็ประทุสลายกามสังกปะเพราะเป็นปฏิปปคธรรมเป็นธรรมที่เป็นข่าศึกซึ่งกันและกันเพราะตัวเน่ ม, มะสังกปะนั้นเวลาเกิดขึ้นเนี่ยทำลายการมสังกปะส่วนอัพยาปาธาสังกะปะหรืออัพยาปาธาวิตกนี้เกิดขึ้น ทำการตัดทางคือทําลายทางเป็นเครื่องลาเนินของพยาบาทวิตกนะก็เมตาก็ทําลายโทสะนี่แนหะทําลายความพยาบาทหรือโทสะนั่นเองส่วนอวิหิงสาวิตกนั้นเกิดขึ้นตัดทางคือทําลายทางเป็นเครื่องดําเนินของวิหาวิหิงสาวิตกหรือวิหิงสาสังกัปตะ อันนี้ก็ให้รู้ว่ากุศลสังกัปปะกับอกุศลสังกัปปะนั้นเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันนะเป็นศัตรูแก่กันและกันซึ่งไปด้วยกันไม่ได้ปกติของมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นกามสังกัปปะอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพยาปาทะสังกัปปะบ้างเป็นวิหิงสาสังกัปปะบ้างเพราะว่ามู่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในมิจฉาปฏิปทาเป็นส่วนใหญ่น้อยนักที่จะเป็นเนคขมะใช่ไหม บางคนเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเคยคิดออกบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเอาทั้งชีวิตเลยเนะนี่ต้องออกนะเนี่ยเคยมีบ้างหรือเปล่าในใจอ่ะนะสำหรับบางคนเนี่ยแทบไม่เคยมีความคิดอันนี้แม้แต่แวัเดียวขึ้นมาเลยมีแต่ว่าตลอดไป ต, ตลอดการแล้วก็ตลอดไปนะคือมีเหมือนกับว่าจะเฝ้ามาเอ่อเฝ้ากามเนี่ยนะอยู่ตลอด ไ, ไปคือเพรานนะ อขอให้ชาติหน้าบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยวัตถุกราร ม, มเพราะฉะนั้นไอชาตินี้ก็ที่ออกก็คือซื้อวัตถุกรรมนั่นแหละเอามาลงทุนใหม่มเพื่อจะได้เพิ่มไปอีกนะแต่ว่าน้อยนะักที่จะตั้งอัธยาศัยเพื่อออกจริงๆงั้นตัวเนคข ม, มะสังกัปปะนั้นเป็นการออกจากกามสังกัปปะเนี่ยก็เป็นการคิดคิดคคนละทางกันเลยนะกลับทางกันเลย อันหนึ่งเนฆมวิตกเกิดขึ้นเป็นฆาศึกต่อกามวิตกอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกก็เหมือนกันคืออัพยาปาทวิตกก็เป็นฆาสึกแก่พยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกก็เป็นฆาสึกแก่วิหิงสาวิตกอธิบายว่าพระโยคาวจรย่อมพิจารณากามวิตกก็หรือสังขารใดๆอื่นเพื่อทําลายทางของกามวิตก ต่อจากนั้นความลำเริของเธอซึ่งสัมปยุตด้วยวิปัสนาในขณะแห่งวิปัสนาก็จะเกิดขึ้นทำการตัดทางคือทำลายทางของกามวิตกด้วยสา ม, มารถแห่งวิปัสนานั้นเธอขวนขวายวิปัสนาก็บรรลุมรกได้ลำดับนั้นสังตัปปะที่สัมปยุตด้วยมรกในขณะแห่งมรกเธอก็จะเกิดขึ้นทาการตัดทาง คือทำลายเครื่องดำเนินของกามวิตกด้วยสา ม, มารถแห่งสมุทเฉทาปะหันตัดทางแห่งกามวิตกจริงๆด้วยอนาคามีมัคต้องเป็นเนคขมัสังกปะระดับอนาคามีมัคจึงจะตัดทางแห่งกามสังกปะเด็ดขาดนะถ้าถ้าอนาคามีมัคยังไม่เกิดนี่ก็โอ้โหยังไม่สูสีกันเลยนะที่จะตัดไอากามาฉันท้าได้เนี่ย การมาฉันท่านิวรการมาสังกัปปะนี่ไม่ไม่อยู่ในวิสัยมรรคต้นๆเลยท่านนะแต่อย่างที่เขาว่าโหเป็นพระโสดาบันแล้วยังหนีตามผู้ชายอะ่ะ mm. เขาเลยแปลกใจมากะนะม mm. ันเป็นไปได้ยังไหงห่วงเออจริงนะไม่เคยไม่ได้มาจีบ ก, กันด้วยมองเห็นนะ่ะหนีตามเข้าไปเลยเก็บผ้าเก็บผ่อนตามเข้าไปเลยอะ่ะ mm. ก็ใครอย่างเช่นภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีนะ เห็นนพรานกูกุตมิชขับเกวียนมาขายเนื้อนะก็ในพรานนี่มจะไปรูปงามอะไรใช่ไหมก็ขับเกวียนมาเนื้อเต็มเกวียนไปหมดแล้วก็ให้คนใช้ไปสืบดูว่าเข้ามาจากไหนเขาจะไปทางไหนแค่นั้นเก็บข้าเก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าตามเขาไปเลยก็ไอคนที่ถูกตามไปก็ยังไม่รู้ว่าเขาตามตัวมาเนี่ยนะก็บอกว่าเธอมาทําอะไรเนี่ยก็บอกมันก็ให้เห็นว่า โซดาปฏิมัคเนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยที่จะกําจัดกามกามสังกปะได้สกะธาคามิมักก็ไม่ใช่วิสัยเนี่ยนะเพราะว่าสกะธาคามิมักก็ยังอยู่ในในกามภูมิเนี่ยนะต้องระดับอนาคามิมักจึงจะตัดได้อย่างแท้จริงมันก็แรงดึงดูดแห่งวัตถุ ก, กามนี้ตัวมันเครื่องมันดูดจริงๆริง น, นะนะอั น, นึ่งพโยคาวจร ย่อมพิจารณาพยาบาทวิตกหรือสังขารอื่นเพื่อทําลายทางของพยาบาทวิตกหรือพิจารณาวิหิงสาวิตกหรือสังขารอื่นเพื่อทําลายทางของวิหิงสาวิตกต่อจากนั้นพึงประกอบคําทั้งปวงในขณะแห่งวิปั ส, สนาของเธอโดยในมีในก่อนนั่นแหลเพราะว่าอันนี้คือหลักการเขียนคัมภีรเขาจะเขียนอย่างไงให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้รวบรัดที่สุด เขาจะไม่พยายามใช้คําซ้ำๆซักๆนะในแง่ของการเขียนคัมภีร์แต่ยิ่งโบราณมันใช้จานด้วยนะมันไม่ได้ใช้ปิ้นใช้พิมพ์ใช้อะไรแบบสมัยนี้หนึ่งออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะนะสมัยนั้นเนี่ยต้องเขียนเพราะนันอะไรที่มันง่ายๆพอรู้กันก็รู้กันเลยนี่ก็เหมือนกันก็บอกว่าเอากามัวิตกเป็นตัวอย่างเอาเนคข ม, มวิตกเป็นตัวอย่างที่เหลือเหมือนกันในเดียวกันเหมือนกั น, นทีนี้กล่าวถึง กรรมฐานทั้งอารมณ์ส8ประการอารมณ์38ประการไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะก็คือกรรมฐาน40นั่นแหละที่จำแนกไว้ในพระบาลีแม้กรรมฐานหนึ่งชื่อว่าไม่เป็น่าสึกต่ออากุศลวิตก3คือมีกรรมวิตกเป็นต้นก็หาไม่คือทุกรรกรรมฐานกาจัดอากุศลวิตกได้หมดเลยนนะจริงอยู่กรรมฐานทุกกรรมฐานกาจัดอกุศลวิตกได้หมด ท่านบอกว่าเหมือนอย่างว่าถ้าไฟมันลุกขึ้นเนี่ยนะใช้กิ่งไม้มาดับก็ดับได้ใช่ไหมดับไฟนะใช้กิ่งไม้ดับไฟได้ไหมได้ใช้ทรายดับไฟได้ไหมได้ใช้น้ำดับได้ไหมได้แต่ถ้าเทียบว่าระหว่างใช้กิ่งไม้ดับใช้ทรายดับใช้น้ำดับอันไหนดับดีกว่ากันก็ใช้น้ำดับดีกว่ากันฉันใดกรรมฐานทั้งหลายทุกกรรมฐานก็กาจัดอกุศลวิตกได้จริงแต่ว่า ไม่ค่อยเป็นอะไรจับคู่กันไม่ค่อยไม่เหมือนอย่างว่าไม่เหมือนอสุภาเนี่ยเป็นตัวที่กำจัดกามวิตกได้อย่างแท้จริงถามว่าอสุภาระดับไหนบอกระดับปฐมฌานเนี่ยนะต้องคระว่าได้ปีติสุขเกิดจากปฐมฌานนั่นแหละมันจึงจะคลายไ อ, ไอ้ชันธราคะในฉั้นธราคะในวัตถุ ก, กามได้ มันปฐมมชานในอสุภะหมายว่าเจริญอสุภะจนได้ประถมมชานทั้งหมดทีเดียวเป็นค่าศึกต่อกามวิตกโดยส่วนเดียวก่อนทานางสุเมธาเถรีเนี่ยเก่งมากไอ้พระสุเมธาเนี่ยนะยังไม่บวชหรอกบอกว่าเห็นคู่มั่นมาก็ตัดผมพิจารณาผมได้ประถมมชานเลยนั่นนะก็ได้ประถมมชานโดยเจริญอสุภะได้ประถมมชานน่นนะมันก็ใครที่ตัดผมบ่อยๆก็อาจจะได้ก็ได้นี่นะทั ตั้งไว้ว่าจะต้องมีผมเป็นอารมณ์ต้องเข้าฌานให้ได้นะส่วนฌานหมวดสามหมวดสี่ในปัญจกะในในเมตตาภาวนาเป็นปฏิปักิต่อพยาบาทวิตกฌนะานหมวดสามและหมวดสี่ในกรุณาเป็นปฏิปักิต่อวิเหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นเมื่อพระโยคาวจรกระทำบริกรรมในอสุภะฌานสังกปะที่สัมปยุต ด, ด้วยฌานในขณะแห่งสมาบัติ ก็จะเกิดขึ้นเป็นฆ่าศึกต่อการมวิตกด้วยสา ม, มารถแห่งวิขมพนาปะหารเมื่อพระโยคาวจรทำฌานให้เป็นบาตเริ่มตั้งวิปัสนาสังกปะอันสัมปยุทธ์ด้วยวิปัสนาในขณะแห่งวิปัสนาย่อมเกิดเป็นฆ่าศึกต่อการมวิตกด้วยสา ม, มารถขององค์แห่งวิปัสนาเมื่อนั้นเธอขวนขวายวิปัสนาบรรลุมรรคแล้วสังกปปะที่สัมปยุทธ์ด้วยมรรคในขณะแห่งมรรคก็เกิดขึ้นเป็นฆ่าศึกต่อการมวิตก ด้วยสา ม, มารถแห่งสมุทเฉทาปหานสังกัปปะอันเกิดขึ้นอย่างนี้เพิ่งทราบตรัสเรียกว่าเนคขมะสังกัปตะแลอันหนึ่งบันฑดตเพึงประกอบคำทั้งปวงว่าพระโยคาวาจรทำบริกรรมในเมตตาภาวนาทำบริกรรมในกรุณาภาวนาเข้าชานเป็นต้นโดยในก่อนนั่นแลนหละก็ในยะคล้ายๆกันเป็นเป็นไงคุณตุจินเข้าใจไหม โอ้โหเอเข้าใจบ้างเข้าใจว่าอย่างไรการที่เราจนวิจนเขียชาแล้วก็จเรนวิทสต่อเข้าถึงมกอ๋อนะงั้นก็เนื้อหาโดยสรุปเป็นอย่างนั้ น, น, นคุณวิลาวันเป็นยังไง อ๋อไม่ป่วยไม่ไข้ก็มาถึงโรงเรียนได้คืออากุศลสังกปะใช่ไหมกับกุศลสังกปะอากุศลสังกปะเนี่ยนะก็คือ 1. กามสังกปะสองพยาบาทสังกปะสาวิหิงสาสังกปะ ก็เป็นอกุศลสังกัปะเนี่ยนะส่วนกุศลสังกัปะก็เป็นเนคขมมะสังกัปะอัพยาปาทะสังกัปะแล้วก็อวิหิงสาสังกัปะตัวนี้เรากําลังพูดวิต ก, กะอยู่นะถือว่าแสดงวิต ก, กะเป็นเป็นใหญ่ก่อนซึ่งวิต ก, กะวิตตกตัวนี้นี่เกิดร่วมกับกุศลก็ได้ อกุศลก็ได้กามสังกปะนั้นผู้ตามอภิธรรมก็คือเกิดร่วมกับในโลภะมูลจิต8ทพยาปาทะสังกปะกบวิหิงสาสังกปะเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตสองเนี่ยนีตัวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยเนศัพทเนคขมะในทั่วๆไปเนี่ยมีหลายในด้วยกันเช่นบวชก็ชื่อวนเนคขมะ ศีลก็ชื่อว่าเนคข ม, มะสมถะก็ชื่อว่าเนคข ม, มะวิปัสสนาก็ชื่อว่าเนคข ม, มะมรรคก็ชื่อว่าเนคข ม, มะนิพพานก็ชื่อว่าเนคข ม, มะภรรท์ว่าเนคข ม, มะ น, นี่ก็ในพระไตรปิฎกกว้กวางขวางเนี่ยนะก็เนื้อหาก็ตามแต่อัตกถาจะอธิบายให้เรารู้อะไรก็ถือเอาคำอธิบายในอัตกถาเป็นประมาณเ น, นี่ยทีนี้ ตัวเนคข ม, มะเหล่านี้เนี่ยก็แบ่งตามปหานะเพราะว่าเนคตัวกุศลสังกปะที่เกิดร่วมกับสมถ ะ, ะ, ะวิปัสนาแลวก็อะไรอริยมรดเน้น เนคข ม, มะเนี่ยนะปกติเนี่ยถ้าคิดกามเนี่ยคิดจะเอาใช่ไหมเนคข ม, มะคิดจะให้มันมันต่างกันอย่างนี้ถ้ามองแบบปุศนกับอาปุสลก่อนนะนธอคิดจะเอากับคิดจะให้ถ้าเป็นสมถะเลยเนี่ยนะถ้าเป็นสัพพะเนี่ยเน้นไปที่อสุภกรรมฐานอสุภะก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมหนึ่ง วิญญาณกะกับอวิญญาณกะคืออสุภะที่มีวิญญาณครองกับอสุภะที่ไม่มีวิญญาณครองอันนี้เป็นถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรมวิตกโดยตรงเนี่ยตัวตัวอสุภะกรรมฐานเนี่ย น, นะวิญญาณกะก็คืออาการ32อนั่นเองส่วนอวิญญาณกะก็คืออสุภะสิ ก็เรียกย่อว่าอสุภะที่ที่กับในสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยนะมันถือว่าใครที่ได้อสุภะอสุภะนี่ระดับไหนบอกว่าระดับปฐมฌานเนี่ยนะจึงจะข่มกามมวิตกได้อย่างแท้จริงมันผู้ที่จะก้าวล่วงกามได้จริงเนี่ยต้องเนี่ยอันนี้ก้าวล่วงโดยวิขำพ น, ปนพะปฐมนะก็สมถะเป็นวิขำพนะ นันอสุภานั้นผู้ที่ได้ฌานอันนี้ก็บริบูรณ์ก็เกิดในพรหมโลกถ้าเกิดในพรหมโลกก็ก้าล่วงภูมิแห่งกามทั้งหลายเนี่ย น, นะก็ก้ากล่วงกามมาพบได้เชื่อว่าข่มกามได้อย่างแท้จริงทีนี้ก็ไม่สันโดษอยู่แค่สวิขัมพนะพะหานนะก็อาศัยบาทคือสมถะอสุภาษฌานนะั่นแหละเจริญวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มยะถา ภูตาย า, าณทัศน์กับนิพิทาแันตัววิปัสนาเนี่ยหลักๆกแ็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างนี้กลุ่มที่รู้เห็นตามความเป็นจริงกับกลุ่มที่เบื่อหน่ายนะนะนะรู้เห็นตามเป็นจริงกับเบื่อหน่ายารู้เห็นตามเป็นจริงที่เรียกว่ายถาภูตาย า, าณทัศนะก็คือยานที่หนึ่งถึงสี่ไหนะ ยานที่หนึ่งถึงยานที่สียานที่หนึ่งก็คือการกําหนดสังขารยานที่สองกำหนดปัจจัยยานที่สก็ส ม, มัสนายานยานที่สี่ก็อุทยพยายานส่วนนิพพิทาก็คือตั้งแต่พังขยานขึ้นไปก็เรียกว่ากลุ่มนิพพิทานะเพราะว่าตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละ ย, ย่อมนํามาซึ่งความเบื่อหน่ายใช่ไหมมันก็กลุ่มนิพพิทาทั้งหลายก็คือ ตั้งแต่พังขยานขึ้นไปถ้าสมถะกับวิปัสสนาเหล่านี้เนี่ยนะควบคู่กันไปก็บรรลุประชมรวมกันก็เรียกว่าเป็นอริยมรรคสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปมีกำลังก็บรรลุเป็นอริยมรรคอันนี้เป็นเนื้อหาโดยสรุปที่ที่ พระพุทธโคษอาจารย์เรียบเรียงตามมหาอัตถกถามาให้ดูเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ส่วนพยอัพพยาบาทที่ออกจากพยาบาทเนี่ยคืออะไรก็คือเมตตาเมตตานั้นปกติได้ตั้งระดับฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สโดยปัญจกะในนะโดยปัญจกะในนะนเพราะว่าค่อยๆละทีละองค์ใช่ไหม ปฐมฌานก็มีองค์ห้าทุติยฌานมีองค์สี่เนี่ยนะค่อยละไปเรื่อยๆเพราะเมตตาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จตอปัญจมชัชฌานนั่นนะคือเว้นปัญจมชฌานนั่นเองเจริญกรุณาก็เหมือนกันเจริญกรุณานี่ก็เว้นอะไรเว้นปัญจมัชฌานเหมือนกันก็ได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ เมื่อได้ฌานแล้วก็มาเจริญยะถาภูตยานนทสนะกับนิพพิธาน่นะก็นำมาสึ้งความเบื่อหน่ายก็บรรุอริยมรรคเหมือนกันทีนี้ถ้าขณะที่บรุอริยมรรคนะขณะที่บรุอริยมรรคเนี่ยชื่อว่ากุศลสังกับตะบริบูรณ์ถ้าบรรุอริยมรรคแล้วเพราะผู้ที่ละอกุศลสังกับตะ โดยที่เป็นกามสังกปะพยาบาทสังกปะวิหิงสาสังกปะตามนี้ได้จริงคือใครคือพระอนาคามีเนี่ยนะพระอนาคามีนั่นจึงจะละละไอตัวกามที่ที่เป็นวัตถุกามทั่วๆไปเนี่ยนะกามเวน้นไอไอกามที่เป็นรูปปัจจานารูปปัจจานเนี่ยพวกวัตถุกามคือเบญจากามคุณทั้งหลายเนี่ยอนาคามีมักตัดฉันทราคะได้เด็ดขาดอันในขณะอริยมรรคคือโสดาปติมรรค สกทาคามีมัชอนาคามีมัชอรหัตมักเนี่ยจะมาจากพื้นฐานเจริญอสุภะแล้วบรรลุ ก, ก็ตามเจริญเมตตาบรรลุ ก, ก็ตามเจริญกรุณาบรรลุ ก, ก็ตามก็ชื่อว่ากุศลสังกปะทั้งสามบริบูรณ์เนยบริบูรณ์ในขณะมักนะบริบูรณ์ด้วยขณะมักเพราะฉะนั้นขณะที่มักเกิดขึ้นก็มีกุศลสังกปะทั้งสามบริบูรณ์ ในในรายละเอียดในการปฏิบัติเนี่ยนะสิ่งที่ต้องแยกก็คือโทษของอกุศลสังกัปะกับอนิสงฆ์ของกุศลสังกัปปะอะัตรนดงนี้ที่ที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจหรือมาจําแนกแยกแยะให้พิสา น, นจะมีผลในการปฏิบัติมากหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเห็นโทษของอากุศลสังกัปปะเพียงไร แล้วก็รู้อา น, นิสงหรือเห็นคุณของกุศลสังกัปปะแค่ไหนก็ตรงนั้นจะมีผลต่อการปฏิบัติซึ่งตามชีวิตของเราแล้วก็ถือว่าปล่อยจิตล่องลอยไปในสังกัปปะเนี่ยนะมาบทั้งกามสังกัปปะบ้างพยาบาทสังกัปปะบ้างวิหิงสาสังกัปปะบ้างถามว่าเรามีวิหิงสาไหมบวกนี้ เคยคิดตำหนิใครไหมนั่นแหละนั่นแหละคือเห็นแต่ความเลวของคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะต้องไปต่อว่าเขาซะหน่อยเป็นต้นเนี่ยไอกลุ่มนี่แหละเป็นกลุ่มวิหิงสาสังกปะนะต้องไปต่อว่าให้เขาเดือดร้อนหน่อยต้องไปรบกวนหน่อยนะถ้าไม่ได้ว่าเขาให้เขาเจ็บใจซะบ้างก็ไม่มีความสุขนะนะพวกกลุ่มนี้เป็นพวกวิหิงสาสังกปะ ที่น้าคิดก็คือการที่จุดไปานเนี่วกยอ๋อถ้าตัววิตกจริงๆเนี่ยนะมันแค่มีแค่ระดับปฐมฌานเท่านั้นมีมีแค่ระดับปฐมฌานเท่านั้นนะ วิตกะนี้เกิดร่วมกับปฐมฌานแต่อันนี้พูดถึงการละจริงๆอ่ะนะถ้าจะข่มไอ้อากุศลวิตกเหล่านั้นได้สูงๆขึ้นไปแต่ว่าตัวตัวที่เป็นยังเป็นเนคขมะวิตตกเนี่ยนะก็คือเนะี่ยระดับปฐมฌานถ้าโดยสมถะนะถ้าโดยสมถะทีนี้แม้กระทั่งระดับอริยมรรคก็ต้องมาแยกอีกครั้งหนึ่งถ้ามรรคเป็นระดับปฐมฌานก็มีสังกัปะครบมีสังกัปะ ถ้ามรกระดับทุติยชาญขึ้นไปไม่มี น, นะไม่มีสังกัปปะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยพวกทุติยชาญเป็นต้นเนี่ยข่มไว้แล้วด้วยอนุภาพของทุติยชาญในสมถานเนี่ยข่มเอาไว้ฉะนั้นผู้ที่จะได้มร์ได้มรกระดับสูงที่เป็นทุติยชาญขึ้นไปเนี่ยนะบาศจะต้องได้บาศของของอริยมร์นี้เขาต้องได้ชาญมาก่อนนะเนี่ย ชาดเดียวยังไงออ๋อไม่จำเป็นเพราะปฐมมชาอาบโซดาปฏิมักเนี่ยมีชาญหนึ่งถึงห้าสกะทาคามีมักก็หนึ่งถึงห้าอ๋อไม่ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าบาทของ คือถ้าไม่ได้โสดาปฏิมักมาก่อนสะกะทาคามิมักก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าได้โสดาปฏิมักไปแล้วอ่ะนะก็ใช่ละนั่นไง ก็กเรื่องกุศลสังกัปปะเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวไปว่าจะต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของอากุศลสังกัปปะเนี่ยนะซึ่งสภาพจิตของเราทั้งหลายก็โคจร อ, อยู่3ามอย่างเนี่ยนะกามาสังกัปะบ้างพยาบาทสังกัปะบ้างวิหิงสาสังกัปะบ้างในานามในานามอะไรโคจรด้วยอกุศลวิตกในานามอาชีพบ้าง ในนามมิตรภาพบ้างในนามเครือญาติบ้างอะไรนะแต่ว่าสภาวะก็คืออกุศลสังกตะนั่นนะคือจะอ้างเรื่องอะไรก็ตามเถอะ น, นะเพราะนี้เรากําลังเน้นที่การกล่าวถึงสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงในแง่ของโวหารว่าเหตุผลควรมีหรือไม่ น, นะควรควรมีสังกามาสังกปะไหมเป็นต้นไม่ได้คุยในแง่นั้นแต่คุยว่า จะคิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลสายใดก็ตามถ้าสิ่งนั้นเป็นอกุศลก็คืออกุศลเนี่ยนะแม้กระทั่งเรานึกถึงพ่อแม่ก็ตามถ้านึกด้วยในลักษณะว่าด้วยอำนาจฉันทราคาก็คือกามวิตกนึกถึงคนที่ท่าสร้างความเสียหายให้เรานะพูดแบบชาวโลกสมควรคิดก็จริงแต่นั่นก็เรียกว่าพยาบาทสังกปะหรือวิหิงสาสังกปะนั่นแหละ พันพระองค์ตรัสไว้ในสารีปุตตสูตรเนี่ยนะสารีปุตตสูตรว่าภิกษุเพึงรู้ความขุนใจเนี่ยนะรู้ว่าเมื่อใดความขุนใจเกิดขึ้นหรืออกุศลสังกปะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อนั้นพึงบันเทาเสียด้วยมนานสิการว่านี่เป็นฝักฝายแห่งมารผู้มีกรรมดำว่างั้นถ้าอากุศลมันเกิดขึ้นน่นะให้รู้ว่านี่นะฝักฝายแห่งพญามาร ฝักฝ่ายแห่งพญามารที่กระทั่านกล่าวว่าความคุณใจก็คือด้วยอํานาจอากุศลทั้งหลายอากุศลเหล่านั้นจะอากุศลใดก็ตามทั้งกาลมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ตามท่านก็ให้มนติการพิจารณาถึงโทษของอากุศลวิตกเหล่านั้นนะว่านี่เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดำนะชี้หน้าได้เลยนี่กรรมดำนะนี่แกเป็นพวกฝ่ายมาร น, นะ นี่เป็นฝักฝ่ายมาร น, นี่เป็นบ่วงมาร น, นี่เป็นเบ็ดมาร น, นี่เป็นเหยื่อมาร น, นี่วิสัยมาร น, นี้เป็นเครื่องให้เดือดร้อนของมาร น, นี่เป็นอาหารของมาร น, นี่เป็นเครื่องผูกของมาร น, นะถ้าอกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ชี้ได้อย่างนั้นได้เลยว่านี่คือสายพยามารพยามารเข้ามาแล้วทำไมจึงเรียกว่าเป็นสายมารล่ะ ในที่สองท่านบอกว่านี่เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดําดเป็นฝักฝ่ายแห่งมารเป็นฝักฝ่ายแห่งอกุศลเป็นเครื่องให้เกิดทุกข์เป็นสภาวะมีวิบากเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดในนรกเป็นเหตุให้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นเหตุให้เกิดปิติวิสัยถ้ากามวิตกเกิดมากๆเลนะกามวิตกเกิดขึ้นถามว่าทิฏฐิเกิดร่วมไหม บางครั้งก็ทิฏฐิบางครั้งก็มานะบางครั้งก็ไม่มีทั้งทิฏฐิและมานะแต่ว่าวนๆอยู่แถวนี้แหละอากุศลมตกเนี่ยนะถ้าเป็นกลุ่มกลามมิตกก็โดยมากก็ต่อด้วยไม่ทิฏฐิก็มานะโดยมากนะเมื่อเป็นไปกับทิฏฐิกับมานะอย่างนี้เข้าแล้วถ้าจุติตอนนั้นไปไหนดี น, นะก็ฝักฝ่ายแห่งเปรดอย่างงี้นะหมูเดรชาทั้งหลายถ้าโทสะ น, นะวิหิงสาสังกปะพยาบาทสังกปะก้อนี้เป็นฝักฝ่ายแห่งการเกิดในนรกแต่อากุศลสังกปะทั้งสาอย่างเนี่ยนะเกิดในอบายได้หมดเลยโอ้โหถ้าอากุศลสังกปะเกิดก่อนตา ย, ยาเกิดก่อนตายนะีย ตรึกไปตรึกมานึกไปนึกมากามสังกปะบ้างพยาบาทสังกะปะบ้างวิหิงสาสังกปะบ้างคิดจนตายยางไงนะก็อบายอยู่แล้วเพราะเพราะว่าอากุศลสังกปะอันนั้นนะ่ะคือประตูนรกเหมือนนะั่นประตูเปรตประตูอสุรกายและประตูหมู่เดรฉ า, านทั้งหลายนะนันก็คิดไปคิดมาจนเป็นอกุศลนื่นนะค อ, อย่างเขาบอกว่า คนที่อายุมากๆส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงภูมิหลังของตัวเองไงส่วนใหญ่นะก็จะคิดถึงเรื่องในอดีต ท, ที่ผ่านๆมาถามว่านึกถึงอดีตนี่นึกด้วยจิตชนิดใดส่วนมากหละก็โลภะบ้างโทสะบ้งาบงนะคิดถึงความผิดหวังในอดีตก็เป็นอะไรก็โทสะพยาบาทสังกป่าบ้างวิหิงสาสังกป่าบ้างสองอย่างนี่แหละนที่เป็นสายโทสะนะ ถ้าสายราคะล่ะก็นึกถึงความสําเร็จที่ตนได้ตนมีเนี่ยนะถามว่าถ้าจุติขณะที่นึกนึกไปอย่าง น, นั้นนะนึกถึงตัวใดนึกถึงตัวอารมณ์นะอันนั้นเป็นอะไรนิมิตอะไรนิมิตกรร ม, มนิมิตอารมณ์นึกถึงวัตถุที่ไปเกี่ยวข้องนะทั้งสุภาพนิมิตปฏิฆานิมิตก็ตามเนิ่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เป็นกรร ม, มนิมิตอารมณ์นึกถึงไอ้ตัวเจตนาที่ไปเกี่ยวข้อง นึกถึงโทสะที่เคยมีบ้างนึกถึงโลภะที่เคยเกิดบ้างอันนั้นก็เป็นกรรมมะอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ไปคิดถึงโทสะในอดีตไอ้โทสะตัวนั้นนำเกิดได้นะนึกถึงราคะราคะเหล่านั้นก็นำเกิดได้ท่้นก็ขณะที่โคจรล่องลอยคิดด้วยอานาะจราคะโทสะโมหะก็ตามเนี่ยนะตรงนั้นพระองค์บอกว่าเป็นสภาพที่มีวิบากเป็นทุกข์ เป็นเหตุให้เป็นไปในนรกเนีนะนะทำให้ถึงคติคือนรกคติคือเดรัจฉานคติคือเปรตทั้งหลายเนี่ยนะนะซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะแตะใบเนี่ยนะนะ